2. ส, สังฆาทิเศษกันจำนวนอาบัตในสังฆาทิเศกกันสังฆาทิเศษสิกขาบทที่1 229. ภิกษุณีผู้ก่อคดีพิพาทก่อคดีขึ้นต้องอาบัติ3อย่างคือ 1. บอกเรื่องของคนหนึ่งต้องอาบัตทุกกฎ 2. บอกเรื่องของคนที่สองต้องอาบัตทุนละใจสามเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษ